พระพุทธเจ้าผูพ้พระองค์เขารัพระธรรมนี่ขนาด พ, พืชเจ้านะยิ่งพวกเรานะซึ่งเป็นบุตรชนแล้วนี่ก็ยิ่งจําเป็นต้องขอรัพระธรรมนี่ขอรัพระธรรมหมายความว่าอย่างไรหรือว่าทําอย่างไร พอรับประทาหลายคนก็ไม่ถึงในการพนมมือเวลาลาแสดงธรรมหรือการแสดงอาการสำรวจอุปภาพเวลาฟังธรรมเราจะไม่ไปถึงการวางข้แต่ยดกในที่ที่ เหมาะสมเข็นวอลบนที่สูงไม่วอลบนพื้นไม่เดินข้ามอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสแสดงออกทางกายวาจาซึ่งบางทีก็เรียกว่าเป็นเรื่องมาเลยยากอันนี้มันก็เป็น การเตือนใจเราด้วยนะเ ว, วลาเรามีกิริยาแบบนี้เนี่ยก็เตือนใจเราให้ปล่อยทำใจเคารพหรือน้อมใจพรารพ ก, ก็ทำแลนะสิ่งที่สำคัญคือเราเคารพด้วยใจเคารพพิยจยให้เคารพนี่ ก็ไม่ได้หลายความว่ายำเกรงอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าการเคารพมีความยำเกรงยำเกรงก็กลัวว่าจะมีโทษมีภัยเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่นั้นมันยังไม่ดีเท่าไห ร, นะร่นะเคารพธรรมเนี่ยเราก็ หมายถึงการพยายามที่จะให้ธรรมะนี้มาอยู่ในใจเราอยู่เสมอซึ่งอาจจะทำได้ด้วยการระลึกถึงก็ทำอยู่เป็นนิดไอที่หมานคือว่าพยายามที่จะรักษาใจของเราไม่ให้กิเลสหรืออกุศลนั้นมาครอบงำ ไม่ให้อารมณ์อาคุศสมนี้เข้ามาคร้องงาติดใจเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหรนะพระธรรมก็ไม่สามารถจะเข้ามาสถิตในใจเราได้พระธรรมในที่นี้กาจะหมายถึงกุณสมธรรมนะเพราะว่าถ้ามีกุณสธรรมเกิดขึ้นในใจ ในกายวาจางเราก็จะปฏิบัตินะอย่างถูกต้องไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ละเมื่อระธรรมันตรงข้ามก็มีแต่จะทำความดีการที่จะให้พระํารสถิในใจเราเนี่ย สิ่งสำคัญก็คือการมีความรู้สึกตั ว, วคนรน้อนน่าหาว่ารู้สึกตัวเมื่อใดนะใจมันก็เป็นธรรมะนะผู้เจ้าปกะกับว่าทุกคนมันมีความสึกตัวกิเลส อ่าอกุสละดับอกุสลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปอกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความสุกตัวนี้ย่อมเตินไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะเพื่อความตั้งมั่นนะไม่เสื่อมสูญแม้ตราทานแห่งพระศัทธรรมพระศัทธธรรมนี่เรคือ ศัตรธรรมหรือว่าธรรมะที่อำนวยให้เกิดความสุขความเจริญนั้นเนี่ยให้ความตั้งมั่นเนี่ยไม่ส่วนสูญมันตราทานกสัตทธรรมเนี่ยก็หมายถึงภายในจิตใจเป็นสำคัญนะไม่ใช่ในประเทศชาติ และเริม่มต้นที่ความตั้งมั่นในใจก่อนถ้นาพระศาทานจะตั้งมั่นในใจได้ก็เพราะมีความสุขตัวมีความสุขตัวเมื่อใดอธรรมเนี่ยมันก็ก็มาครอบงำวงการจิตใจเราได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลย การทำความสุดตัวมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันก็เมื่อความสุกตัวเกิดขึ้นนะปลายจิตขาในศีลสมาธิปัญญากนะ็ก็จะเลยงอกงานได้ง่ายมีความสุกตัวก็มีศีลนะโดยปริยาย แต่ถ้าเกิดว่าความสึกตัวยังไม่มั่นคงสีนั้นก็ยังงอนเง่ น, นต้องอาศัยความต้องอาศัยปัจจัยอื่นมาช่วยเสริมให้สีมั่นคงคนที่มีสีนะแต่ว่าความสึกตัว ไม่ค่อมันคงนี่สิ่งไปได้ไหถ้าว่าเราโมแต่รักษาสี่แต่เราไม่รักษาใจการรักษาสี่ของเราก็จะเการรักษาแบบที่บกพร่องก็ได้จเรียกว่าศีลปตตาปรามานศีลปตตาปรามาคือการปฏิบัติในการรักษาสิ่งโดย มีกิเลสนะมีตัณหามนาที่ที่เข้ามาครอบงำเช่นรักษาศีลแล้วเกิดความมิตรยกกัขงขมทันหรือรักษาศีลเขาจะาได้ไปเกิดในสวรรค์อยากได้ให้คนยกย่องรับถือจะได้มีภาพลักษณ์ที่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นการรักษาศีลหรือการมีศีลเพื่อโชว์นะเพื่อแสดงออก มันก็เป็นการสนองกิเลสแบบหนึ่งแล้วถ้าทําด้วยแรงจูงใจแบบนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่มีความสึกตัวละปล่อยให้กิเลสปล่อยให้สัญหารรลทิฏฐิเข้ามาบงกาาแในการรักษาศีลนั่นก็ จ, จะนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยคนอยู่รอบข้างก็อาจจะปล่อยทุกข์ล่อยร้อนรุ่มไปด้วย นี่คนเราความสึกตัวนะั้นก็มีสตินะต้องมีสติเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยนะมันก็เหมายความว่าใจก็ จ, จะลอยใจไม่อยู่กับตัวนะถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องกำกับมีสติเมื่อไหร่นะความสึกตัวก็เกิดขึ้น ถ้าไม่มีสตินะใจมันก็ไหลหลอยแปวดีตั่งไหลแหวนนาคตั่งจิตส่งออกนอกตเตลิดเปิดเปิมไปมอนก็ว่าไม่มีหางเสือหรือไม่มีหางเสือก็เหมือนก็คือก็เกิดกักจิตที่ไม่มีสติฉนั้นความสึกตัวมนก็หายไปทันทีเมื่อสติไม่มี ที่จริงการที่การมีสตินี่ ก, ก็ก็คือการที่เอาธรรมะนี่มามาสติไว้ในใจนะมีสติก็คืออยู่กับธรรมะตลอดเวลาหลว่าชาเคยพูดว่าทุกครั้งที่มีสตินะ ก็เท่ากับ ว, ว่าได้ฟังธรรมของผู้เจ้าอยู่ตลอดเวลามีสติเมื่อใดนะก็เท่ากับ ว, ว่าได้ฟังธรรมของผู้เจ้าเมื่อนั้นเพราะว่าเมื่อมีสติตาเห็นรูปก็เป็นธรรมะหูได้เสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะ รินได้รับรู้ก็เป็นธรรมะอะไรมาสัมผัสการก็เป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะในที่นี้เนี่ยนะก็หมายความว่าได้เห็นมันตามที่มันเป็นจริงตาเห็นรูปถ้ามีสติตก็เห็นรูปตามที่เป็นจริงเมื่อมีส ต, ตนะิมันก็ไม่มี กิเลสอวุโสรเข้ามาครอบงำในทันที่ตายเห็นลูกคือไม่ไเกิดการปรุงแต่งเมื่อตายเห็นลูกถ้ามีสติก็ปรุงแต่งเป็นความชอบความชังหรือว่าคิดเดตลิดเปิดเปลืองไปได้ยินเสียงนกนแทนที่จะสักแตว่าได้ยินก็เกิดความชอบเกิดความพอใจเกิดความดี อันนี้ก็อันหนึ่งแล้วหรือแม่ก็เกิดความสงสัยว่าเป็นนกอะไรนกอพยพหรือเปล่าทําไมมันมาในช่วงนี้นี่แล้วมันหากินอะไรเนี่ยอันนี้ไปแล้วใจลอยแล้วเนะ่ขณะนั้นอกลังกําลังเดินจงกลมสร้างจังหวะอยู่แต่ว่าพอไม่มีสติไม่นิ้เสียงนกมันก็ใจมันก็ลอยคิดไปปรุงไปเป็นเรื่องเป็นราว หรือไม่ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาในลักษณะที่ว่าเกิดความยิน ด, mm. ดีเกิดความพอใจนะถ้าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะก็เกิดอารมณ์อีกแบบนะถ้าไม่มีสติความยินร้ายก็คิดต่อไปว่าทำไมไ ม, ไม่รู้จักนะดับเครื่องยนต์ก่อนนะทำไม แล้วขับรถเข้ามาถึงข้างในนี้มาหาใครน ะ, ะคิดต่อไปอไม่มีใครอยู่แล้วมาทำไมนะอันนี้ก็ปรุงแต่งเป็นความคิดตละลเปิรกเพิ่มนอย่างนี้ก็เรียกว่าไกลยอย่างพระธรรมเลยนะเพราะว่ามันเปิดช่องให้อาธรมเข้ามาเข้ามาบงการเข้ามาครอางนปิดใจได้ ให้เวลามีสติเนี่ยเวามีความรู้สึกตัวไม่ว่ามีภัษาย้ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเป็นแค่เห็นนะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่เราพ่อพงศ์เจริญท่านเล่นอยู่เสมอเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือเข้าไม่ไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปยึดนะ น, นี่การเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เห็นเห็นรูปหรือเห็นอารมณ์เห็นความคิดที่เกิดขึ้นต่อไปมันก็จะเห็นความจริงที่ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นได้แสดงออกมาหรือเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของความคิดและอารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นในใจไอการเห็นลักษณะ น, นี้ก็คือเห็นธรรมะแล้วเองนะเห็นธรรมะเห็นอนนี้จังเห็นทุกขงังเห็นอ น, นัตตาเห็นว่ามือมันมันมาประเดีวประเดานะ้าเกิดขึ้นชั่วคราวเพราะเห็นในลักษณะ น, นี้แล้วนะจึงเรียกว่าได้เห็นธรรม แล้วเมืม่อสติเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้เห็นธรรมตลอดเวลาหลวงพ่อชาตินั่นก็ใช้คําว่าได้ฟังธรรมพุทธเจ้ า, จาตลอดเวลานะัน่นนี่มันไม่ใช่ฟังได้หูนะแต่ว่ามันคือการเห็นเห็นได้ใจแต่ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็้าไปเกลือกลั่วพัวพันหรือว่ากลืนหายไปกับ ความคิดและก็อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็มาถึงการถูกกิเลสอกุศลนี่เข้ามาครอบหวามได้ง่ายตอนนั้นมันก็เป็นอธรรมแล้วล่ะเอ้ข้อรับประาเนี่ย น, นะมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก มันก็คือการที่ทำให้ใจเรามีธรรมะตลอดเวลามันคือการที่ทำให้ธรรมะนี่สถิตยอยู่ในใจเราตลอดเวลาทำให้ทุกขณะนะทุกทุกผัสสะที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมะทั้งนั้นนะเป็นธรรมะที่ในความหมายที่เราแสดงทำให้เราเห็นอยู่ อยู่ทุกขณะทุกเวลานี่ในการที่เราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความที่อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าจิตสังขารในหรือการปรุงแต่งของจิตมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่อง ลายเสียทีเดียวถึงแม้ว่าไอ้สิ่งปรุงแต่งนั้นมันจะเป็นความยินร้ายมันจะเป็นอารมณ์อกุศล น, นะความโกรธความเกลียดก็าตามถึงแม้ว่าปล่อยใจให้เผลอปล่อยใจเผลอจนกระทั่งอารมณ์เหล่านี้มันปรุงขึ้นมาไอ้ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเผลอไม่รู้ทันมันเมื่อไหร่เนี่ย ม, มันก็เป็นอกุศลมันก็เป็นอธรรมเมื่อ น, นั้นก็คือเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อน แต่คือเม่เราเผลอไปแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่ที่มีสติรู้ทันนะก็คือว่าเห็นมันได้ทันท่วงทีนะให้ปล่อยใจเข้าไปจมเกลือกลัวในอารมณ์หรือว่าถูกมันเล่นงานนะอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะความโกรธก็เป็นธรรมะความเกลียก็เป็นธรรมะความคุนเคยก็เป็นธรรมะถ้าเราเห็นมัน แต่ถ้าเราไม่เห็นมันเมื่ อ, อไหร่ก็เป็นอธรรมเมื่อ น, นั้นเลยเพราะว่ามันจะปรุงให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเกิดเจตนาความอยากที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่เดียดเดียนทั้งผู้อื่นและเบียดเบีนตนเช่นเวลาโกรธแล้วไม่เห็นความโกรธเนี่ยนะมันก็อยากจะมันก็อยากจะด่าอยากจะทำรายคราบครองอยากจะทำรลายผู้คน หรือแม้กระทังคิดร้ายด้วยจิตพยาบาลแต่ถ้ารู้ตัวหรือว่ารู้ทันมันเมื่อไหร่เห็นมันล้วมันก็เป็นธรรมะนะความกลัก็เป็นธรรมะความเกลียวก็เป็นธรรม ะ, ะความคิดที่เป็นอกุศลก็เป็นธรรมะเพราะว่ามันสามารถจะสอนใจเราได้หรือว่ามันสามารถจะแสดงอันนี้จังทุกขรั้งที่ตายเราเห็นได้ชัดๆ อันนี้เราไม่ถึงเวทนาด้วยทุกคนเวทนาทุกทเวลาที่เกิดขึ้นไม่มีขยายเกิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวมันก็ปรุงกลายเป็นความยินร้ายเป็นความเป็นโทสะแต่ถ้ามีสติเห็นมัน อ, อ่ะมันก็แสดงธรรมให้เราเห็นตามมาเห็นมันเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมะที่มันแสดงอย่าง มีพออาาระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมหลังจากที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วนะเกิดบางท่านก็ป่วยหนักบางท่านก็ถูกไฟครอกเผาหรือบางท่านนี่ก็เอามีดปาดคอตัวเอง ไอ้ทุกข์ภัยทุกข์ภัทนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีสตินะมันก็ปล่อยใจเข้าไปเข้าไปยึดเวทนานั้นยึดว่าเป็นกูเป็นของกูแทนที่เห็นความเจ็บก็เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ปวด เมื่อเป็นทิพยพูเป็นพูดใจผู้ปว่วมันก็จะเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความกราดเกรียดเกิกดอารมณ์อกุศลหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีสติเห็นทุกขเวทนานั้นถ้าสติตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นเข้าใจนะธรรมะเลยเพราะไอ้ตัวทุกขังนี่นะ ทุกภเวทนามก็สอนให้เราเข้าใจแจ่มชัดเรื่องทุกขังซึ่งเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์ได้อย่างพระโคติกานี ท, ท่านนาเอามีดปาดคอตัวเองหรือว่านางสามาวดีที่ถูกไฟค่อกเนี่ยตอนที่เกิดทุกภเวทนาเนี่ยตั้งสติได้ท่านในในภาวะนั้นนั้นท่านเอาเวทนาเป็นอารมณ์ อันนี้เป็นสำนวนเอาเวทนาเป็นอารมณ์ว่าก็มีสติเห็นหรือพิจารณาเวทนานั้นอย่างที่เรียกว่าเวทนานุปั ส, สนาเวทนานุปั ส, สนาคือการพิจารณานะพิจารณาเวทนาหรือว่าตามรู้รู้ทันเวทนานั้นเป็นผู้ดูนั่นเองดูเวทนาดูทุเวทนาก็จะเห็นชัน้นโอสังขารเป็นทุกข์มากมันไม่นายึดถือเลย ไีจที่เคยยึดว่าสังขารนี่มันมันดีมันวิเศษมันให้ความสุขเนี่ยมันคลิกเลยนะเพราะเห็นชัดเลยว่าสังขารเป็นทุกข์มากเห็นชัดได้อย่างไรนะก็เห็นจากเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวทนาที่มันที่มันแรงกล้ามากนะก็รู้เลยว่าสังขารเป็นทุกขนะ์อันนี้แล้วว่าทุกขเวทนามันสอนนะมันแสดงทําให้เห็น ท่านเห็นอย่างนั้นเนี่ยว่าส่งหายเป็นผู้มากจิตท่านก็วางเลยนะสลัดคืนนะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเป็นของกูแล้คืนคืนใ่านแบบธรรมชาตินี่ครับปฏิสัปฏินิศักโคสลัดคืนนะสลัดคืนให้เป็นของธรรมชาติไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นกูเป็นของกูจิตท่านก็หลุดพ้นนะเป็นผ้าละหันแล้วเพราะพฤติกรรนี่คนก็ไม่เชื่อนะคนฆ่าตรวตายทำไมเป็นเรื่องผ้าลหัน เคยพูดเรื่องนี้นะในในการบรรยายเรื่องการตายสงบเนี่ยก็มีโยมหนึ่งซึ่งแกคงจะเชื่อมันในความรู้ทางธรรมตัวงมากก็ยกขึ้นยกมือแล้วก็แย้งค้านะเป็นไปไม่ได้จะมีที่ไหนฆ่าตัวตายแล้วเป็นพระอรหรันตะ์ก็พยายามพูดแกก็ไม่เชื่อนะ ก็เลยให้บอยไปคนเอาดูใน Google นะเรื่องพระคติกาพระฉันนะพระวคตรลิศัพทธาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรไม่เป็นพไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าฆ่าตัวตายนะแต่เป็นพระอรหันต์หลังจากการฆ่าตัวตายต่างกันนะเป็นพระอรหันต์หลังจากการโคตรฆ่าตัวตายไม่ได้แปลว่าเป็นพระอรหันต์เพราะฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นพระอรหันต์หลัง ถูกไฟคลอกเน่ยเป็นเป็นพระญาบุคคลเราถูกไฟคลอกไม่ได้แปลว่าพราะไฟคลองทาให้เป็นพระญบุคคลคนไม่เข้าใจไปตีความอย่างนั้นอที่เป็นพระรามเพราะาท่านได้พิจารณาพิจารณาเวทนาหรือเอาเวทนาเป็นอารมณ์จนเห็นแจ่มแจ้งในทไตลักจึงหลุดพ้นได้ท่านทุกเวทนาก็ดี หรือว่าเอาเราไปอุปสงค์ก็ดีเนี่ยมันมันสอนทําให้ให้กับเราได้หากว่าเรานะเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นหรือดูมันนะไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปอยู่ในอารมณ์นะั้นไม่พอไปอยู่ในเวทนานั้นหรือไม่ไม่เข้า ไ, ไปเป็นเวทนาเหล่านั้นคือยึดว่ามันเป็นราเินของเรา ในการรู้เท่าทันการมีสติรู้เท่าทันเวทนารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เนี่ยหรือว่าจิตสังขารเนี่ยนะี่มันเป็นเป็นทักษะเป็นศิลปะ เ, เป็นความสามารถที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยก็โดยการฝึกนี่แหละนะฝึกทั้งจากรูปแบบฝึกทั้งจาก เวลาเกิดผนะัสสะทุกวันทั้งวันเนี่ยมันมีผัสสะเกิดขึ้นกับเราทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่เสมอเนะฉถ้าเรามีส ต, ติเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นผัสสะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมะหรือมันสอนธรรมะให้กับเรารู้ทอดทันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ลึกไปกว่านั้นนะคือรู้ทอดทัน ความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งนั้นเช่นเมื่อโกรธเกิดขึ้นก็รู้รู้ว่าโกรธแต่รู้เท่านั้นไม่พอนะต้องรู้ด้วยต้องรู้ทันนะั่กระชังว่ามันมีความสื่ออย่างไรต่อความโกรธเช่นรู้สึกไม่พอใจรู้สึกอยากจะผักใสต้องรู้ทัทันในเวลาใจนะมันไม่เป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเท่า น, นั้นไม่ใช่เป็นแค่รู้ว่าโกรธเกิดขึ้น เกลียดเกิดขึ้นในใจแต่ต้องรู้ทั็ทั้งว่าเรามีความสุกลบต่อความโกรธเรามีความสุกลบต่อความเกลียดคนส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้าทันทันตรงนี้นะพอรู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขลบต่อความโกรธอยากจะผักสายอยากจะทำลายอยากจะกดข่มความโกรธเสร็จ แ, แล้วก็บ่นว่าทาไมรู้รู้ว่าโกรธทำไมไม่หายโกรธนะก็เพราะ ม, มีความสุกลบต่อความโกรธ ในความคือจะผักไส่กดข่มความโกรธนี่แหละที่ทําให้ความโกรธมันไม่หายไปอาการผักใส่ก็นำไปสู่ความยึดติดนะยิ่งผักไส่ก็ยิ่งยึดติดนะนั้นยิ่งรู้สึกลดต่อความโกรธเมื่อไหร่เนี่ยความโกรธมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งต่อต้านยิ่งผุดยิ่งโกรธนนต้องมีสติไว้นะไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าโกรธมีอยู่ แต่ยังรู้สึกก็ยังรู้ทันแม้กระทั้งว่าเรารู้สึกลบกับความโกรธด้วยเมื่อรู้สึกลบแล้วก็พยายามทาใจเป็นกลางวางจะทําใจเป็นกลางต่อความกลัวคือมันจะอยู่ก็อยู่ไปเราดูมันเฉยๆเราไม่สามารถจะดูหรือเห็นมันอย่างตามที่มันเป็นจริงได้ถ้าใจเรายังมีความรู้สึกลบต่ออารมณ์โกรธถ้าใจเราไม่เป็นกลางเราก็ไม่สามารถจะเห็นมันตามที่เป็นจริงได้การปฏิบัติทําการเจริญสติเนี่ยมัน มันมันต้องรู้หลายชั้นนะมันต้องเห็นหลายชั้นไม่ได้เห็นชั้นเดียวถ้าเห็นหลายชั้นเนี่ยมันก็ทำให้ให้ธรรมะเนี่ยสามารถจะปรากฏขึ้นมาจากทุกภาษาที่เกิดขึ้นได้นั่นมันทำให้ธรรมะสถิตในใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยั่งยืนอันนี้เป็นการเคารพพระธรรมทีอ่อยากจะฝากเอาไว้ อ่าชาเนี่ยพวกกระทนีกครับ